กีฬาสีโรงเรียนหลอนบอกแล้วไงว่าอยากขานรับสัมผัสสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่แป้งอยู่ชั้นม .6 เวลาที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีแน่นอนอยู่แล้วว่า มันต้องมีการทำกิจกรรมช่วยงานหรือซ้อมกีฬากันจนเย็นจนคำมืดและหน้าที่หลักๆของพี่มหก็คือต้องคอยดูแลน้องๆที่จะขึ้นสแตนเชียชั้นมหของแป้งมีทั้งหมด10บห้องตั้แต่มหทับหนึ่งถึง6ทับ10แป้งอยู่6ทับ 9, ได้รับหน้าที่ให้ทำฉากของสแตนเชียมีแป้งกับเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนรวมแป้งด้วยก็เป็นสามคนพวกเรา จะได้รับมอบหมายจากหัวหน้าห้องว่าให้ไปซื้อของเพื่อที่จะมาทำฉากพอเราได้รับมอบหมายให้ออกไปซื้อมันก็เหมือนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ของพวกเราเลยทีเดียวพวกเราออกไปซื้อของตอนเย็นประมาณ5โมงกวักกว่าแล้วก็ซื้อของกันนานมากจนลืมดูเวลาลืมนึกว่ามีเพื่อนๆร อ, ออยู่ที่โรงเรียนพอซื้อของครบหมดทุกอย่างแป้งก็มองดูเวลาอีกทีมันเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้ว พวกเราก็เลยรีบพากันกลับโรงเรียนโดยด่วนพอกลับไปถึงโรงเรียนก็เจอพวกเ พ, เพื่อนที่รอของอยู่และก็เจอกลุ่นครูที่ปรึกษาของแป้งยืนอยู่ตอนนั้นพวกเราทั้งสามคนมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นนักโทษที่พร้อมจะรับความผิดครูก็ต่อว่าพวกเราว่าทำไมไปกันนานมากพวกเ พ, เพื่อนที่อยู่โรงเรียนก็ต่อว่าแต่พวกเราก็ไม่ได้เถียงหรือแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น พอรู้ว่าพวกเราทำผิดและบทลงโทษในการทำผิดของพวกเราในวันนั้นก็คือให้พวกเราทั้งสามคนอยู่ทาสเตนไปจนถึงสี่ทุ่มโดยมีพารองเป็นคนคอยดูพวกเราแล้วเพื่อนๆที่เหลือก็ให้กลับบ้านได้ตอนนั้นบรรยากาศที่ไม่มีเพื่อนหลายๆคนอยู่นั้นมันวังเวงมากและแป้งก็ได้อยู่กันแค่สามคน มันก็ไม่ได้ช่วยให้ความน่ากลัวลดน้อยลงไปเลยเพื่อนแป้งอีกสองคนชื่อว่ารุ่งกับสาพวกเราขณะที่โดนลงโทษอยู่มันเหมือนจะไม่สำนึกผิดเลยแล้วอยู่ๆรุ่งมันก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเราทำงานกันอยู่แล้วผีมาหลอกพวกเราจะทาไงกันดีสา ก, ก็บอกว่าก็จะให้มันช่วยทำงานไงทำกันอยู่สามคนเงาจะตายอยู่แล้ว เมื่อรุงกับสา พ, พูดมาขนาดนั้นแป้งก็เริ่มคิดแล้วว่ามันจะพูดทำไมวะเนี่ยยิ่งตอนนี้มันก็มืดเราด้วยแถมยังมีเรื่องเล่าอะไรน่ากลัวน่ากลัวเกี่ยวกับโรงเรียนนี้อยู่ในหัวสมองแต้งอีกแป้งพยายามเก็บความกลัวไว้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปคิดเพียงแต่ว่าต้องรีบทางานให้เสร็จเร็วๆขณะที่ทางานอยู่นั้นแป้งอยู่บนสเตนมองไปข้างล่างก็จะเป็นสนามฟุตบอล มองไปทางขวาก็จะเป็นอู่ซ่อมรถเก่าๆซึ่งมันร้างแล้วโรงเรียนแป้งจะอยู่ติดกระปู่ซ่อมรถมองไปทางซ้ายก็จะเป็นทางเดิอนออกนอกโรงเรียนเมื่อทำงานไปได้สักพักแป้งก็ได้ยินเสียงคนตะโกนมาว่าเฮ้ย <Hey. S 1> ครั้งแรกพวกเราทั้งสามคนได้ยินเหมือนกันแต่ไม่มีใครขานรับได้แต่เพียงมองหน้ากันอีกสักพักก็มีเสียงมาอีกเฮ้ย <Hey. S 1> เป็นอย่างนี้สองครั้งแล้ว จนครั้งที่สามดุงมันก็ขานรับไปว่าเออว่าไงใครเรียกวะตอนนั้นแป้งกลัวนะแป้งก็เลยพูดกับรุงว่าไปขานรับทำไมรู้หรือว่าใครเรียกรุงมันก็บอกว่าไม่รู้หรอกว่าใครขานไปนงั้นแหละเพื่อเป็นคนแป้งกับสาก็มองหน้ากันเหมือนรู้แล้วล่ะ ว, ว, ว่าอีกสักพักจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ แ, นแล้วสิ่งที่พวกเราคิด มันก็เกิดขึ้นจริงๆบรรยากาศตอนนั้นจากที่เงียบสงบไม่มีลมพัดผ่านจูๆ่ๆก็เริ่มมีลมพัดมาพร้อมกับกลิ่นน้ำอบโชยมากระทบกับจมูกของแป้งกับสาแป้งก็เลยถามรุ้งว่ามันได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นน้ำอบรุ้งมันก็บอกว่าไม่ได้กลิ่นน้ำอบแต่มันได้กลิ่นเหม็นศพเลยละ่ะตอนนั้นพวกเราเลิกทํางานกันแล้วก็มานั่งจับกลุ่มรวมกัน เพื่อรอเวลาจนถึงสี่ทุ่มถึงจะกลับบ้านได้เมื่อมองดูนาฬิกาก็รู้สึกว่าเวลาทำไมมันช่างเช้าอะไรอย่างนี้ตอนนั้นมันแค่สองทุ่ม45ห้าเท่านั้นเองแล้วพวกเราก็ต้องทนอยู่กับสภาพกลิ่นแบบนี้ไปจนถึงสี่ทุ่มสักพักกลิ่นนั้นมันก็เริ่มจางหายไปพวกเราเริ่มหายกลัว แต่ก็ยังไม่ทันใดก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้สออกสะอื่นฟูมไฟ <c oughs> พวกเราเริ่มกลับมากลัวกันอีกครั้งและกลัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแป้งสามารถรับรู้ได้จากสภาพสีหน้าของพวกมันในเวลานั้นก็คงจะมีแต่แป้งแล้วละ่ะที่กล้าที่สุดในนั้น แป้งเลยพูดกับพวกมันว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแป้งจะไปดูให้ว่าเสียงมันมาจากตรงไหนแล้วแป้งก็เดินไปดูทั่วสเตนแต่ก็ยังไม่เจอที่มาของเสียงยิ่งเดินหาเสียงเท่าไรมันก็ยิ่งร้องไห้ฟูมฟายมากขึ้นเท่านั้นในขณะที่แป้งเดินหาต้นตอของเสียงนั้นแป้งก็ไม่รู้เลยว่าเพื่อนรักแป้งทั้งสองคนมันได้หนีแป้งกลับบ้านไปแล้ว พอแป้งเดินกลับมาตรงที่ที่แป้งทํางานก็เจอกระดาษเขียนโน้ตไว้เป็นลายมือของดุ้งบอกว่าโกงสาขอกลับบ้านกันนะตอนนั้นแป้งรู้สึกโกรธพวกมันมากทิ้งเพื่อนได้ลงคอทั้งทั้งที่บรรยากาศมันก็น่ากลัวมากขนาดนี้แป้งมองดูนาฬิกาอีกรอบตอนนั้นก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่ า, วาแล้วแป้งเลยคิดว่าอยู่ต่อให้ถึงสี่ทุ่มเลยก็ได้ ชามาจะได้ไม่โดนครูทำโทษอีกแล้วแป้งก็เก็บของไปพังๆรอเวลาสี่ทุมแล้วหูแป้งก็ได้ยินเสียงคนตะโกนอีกแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> เมื่อได้ยินหลายครั้งเขา้าแล้วเพื่อนก็ยังหนีกลับบ้านอีกมันทำให้แป้งเริ่มหงุดหงิดและแป้งก็เห็นว่าเพื่อนแป้งขานรับไปแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรแป้งก็เลยขานรับไปบ้างเออใครอะมาช่วยเก็บของหน่อย ไม่ทันขาดคําก็มีกิ่งไม้จากไหนไม่รู้เหมือนกับมีคนโยนมาใส่แป้งแล้วกิ่งไม้กิ่งนั้นก็มีเชือกผูกอยู่ด้วยจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะตามมาตอนนั้นแป้งเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอยู่ไม่ได้แล้วรีบวิ่งลงจากสแตนทันที ขณะที่วิ่งไปก็ได้ยินเสียงหัวเราะตามมาตลอดตอนนั้นแป้งคิดเพียงแต่ว่าจะต้องวิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งออกไปหาลุงพาลงให้เร็วที่สุดเพราะแป้งวิ่งไปหาลุงพาลงได้แป้งก็เล่าทุกอย่างให้ลุงพาลงฟังว่าเจออะไรมาบ้างลุงแกก็หัวเราะแล้วบอกกับแป้งว่าลุงจะบอกคุณครูของพวกหนูแล้วว่าอย่าปล่อยให้เด็กทางานกันจนดึกเดี๋ยวอีนั่นจะออกมา แป้งก็ถามลุงว่าอีนั่นคือใครลุงก็บอกแป้งอีกว่าอีนั่นน่ะมันชื่อน้อยมันเป็นแม่ครัวอยู่ที่โรงอาหารตอนเป็นแม่ครัวมันชอบกับคุณครูสอนพละคุณครูก็ชอบพอกับมันแต่คุณครูเขามีครอบครัวอยู่แล้วพอมันรู้ว่าคุณครูมีครอบครัวแล้วมันก็ช้ำใจมากเลยไปผูกคอตายบนต้นไม้ข้างๆสแตนเพราะแป้งฟังจบแป้งก็ตกใจมาก เข้าใจแล้วว่ากิ่งไม้กิ่งนั้นทำไมถึงมีเชือกผูกอยู่ตอนนั้นแป้งรู้สึกว่าทำไมชีวิตตัวเองต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยแล้วคืนนั้นแป้งก็กลับบ้านไปพอเช้ามาแป้งก็มาโรงเรียนตามปกติแป้งโกรธลุงกับสามากว่าทำไมทิ้งแป้งไปแต่ก็โกรธได้ไม่นานเพราะแป้งยังคงต้องทำงานร่วมกับมันอยู่แป้งก็เลยถามมันว่า ทำไมเมื่อคืนหนีกลับบ้านไปก่อนรุงมันก็บอกว่าตอนที่แป้งเดินตามหาเสียงร้องไห้อยู่รุงเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามแป้งทุกฝีก้าวเลยแล้วพอมันจะเรียกให้แป้งรู้ตัวผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้าไปหาพวกมันและมีสีหน้าแววตาที่โกรธพวกมันก็เลยต้องหนีกลับก่อนโดยทิ้งโน้ตเอาไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเราทั้งสามคน ก็ตั้งใจทำงานที่คุณครูสั่งไม่อู่หรือทะเลทลัยอีกเพราะไม่อยากโดนทำโทษแบบนี้อีกแล้วสัมผัสสยอง